พระไตรปิฎกเล่มที่9ร้าพระสูตรที่13าเตวิชสูตรเรื่องไตรเพศเรื่องพรามเรื่องพรมสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริบไปในแคว้นโคศลพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เสด็จถึงหมู่บ้านพรามชาวโคศลชื่อมนัสสกตะประทับอยู่ณอัมภวันใกล้ฝั่งแม่น้ำอทิระวดีสมัยนั้นในหมู่บ้านมนัสสกตะ มีพราหมหาสารผู้มีชื่อเสียงมาพักอาศัยอยู่หลายคนคือจังกีพราหมณ์ตาลุกขพราหม์โปคราสาติพราหมณ์ชานุสัโสนิพราหมโตเทยยพราหมณ์และยังมีพราหมหาสารผู้มีชื่อเสียงคนอื่นๆอีกครั้งนั้นวาสิทธามานพกับภารัตถวาชามานพไปเดินเล่นสนทนากันในเรื่องทางและไม่ใช่ทางวาสิทธามานพกล่าวอย่างนี้ว่า ทางที่ปคราสติปราม บ, บอกไว้เท่านั้นเป็นทางตรงนําผู้เดินตามไปสู่ความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพระพรหมได้ฝ่ายพารัธวราชามานพกล่าวอย่างนี้ว่าทางที่ตาลุกขปราม บ, บอกไว้เท่านั้นนําผู้เดินตามไปสู่ความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพระพรหมได้วา่าเศรฐามานพไม่อาจให้พารัธวาชามานพยินยอมได้ฝ่ายพารัธวราชามานพ ก็ไม่อาจให้วาเสตธรารมานบยินยอมได้เช่นกันวาเสรษฐามานบจึงบอกพารัถวาชามานพว่าพารัถวาชะก็พระสมณะโคโดมพระองค์นี้เป็นสักยะบุตรผนวดเล่าจากสักยะตรกูลประทับอยู่ที่อัมพวันใกล้ฝั่งแม่น้ำอาจิราวดีท่านพระโคโดมนั้นมีกิตติศักขจรเป็นพระอรหันตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเป็นพระผู้มีพระภาค ภารัตวาชะมาเถอพวกเราจะไปเข้าเฝ้าพระสมณโคดมด้วยกันทูล ถ, ถามเรื่องนี้แล้วส่งจำข้อความตามที่พระสมณโคดมตรัสตอบแก่พวกเราวาเสถามานพและภารัตวาชามานพเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับวาเสถามานพได้ทูลถามปัญหาที่พวกเขาสองคนได้ถกเถียงกันพระผู้มีพระภาคตรัสว่าวาเสธะ พวกเธอเถือผิดกันในเรื่องไหนกล่าวผิดกันในเรื่องไหนกล่าวต่างกันในเรื่องไหนว่าเศรษฐามานพกราบทูนว่าในเรื่องทางและไม่ใช่ทางท่านพระโคดมพวกพราหมทั้งหลายคือพวกอัทธริยพรามพวกติตะติริยพรามพวกฉันโทกับพรามพวกภาวะริชพรามบัญญัติทางไว้ต่างกันก็นกจริงถึงครงนั้น ทางทั้งปวงก็ล้วนเป็นทางนำออกนำผู้เดินตามไปสู่ความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพระพรหมได้เปรียบเหมือนในที่ใกล้หมู่บ้านหรือนิคมถึงจะมีทางอยู่หลายเส้นทางก็จริงถึงกระนั้นทุกเส้นทางก็มาบรรจบกันที่กลางหมู่บ้านนั่นเองฉันใดพวกพรามทั้งหลายบัญญัติทางไว้ต่างกันก็จริงถึงกระนั้นทางทั้งปวงก็ล้วนเป็นทางนาออก นำผู้เดินตามไปสู่ความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพระพรมได้ฉันนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าวาเสถะเธอกล่าวว่าทางเหล่านั้นนาออกได้หรือเขาทูลตอบว่าท่านพระโคดมข้าพระองค์กล่าวว่านําออกได้พระผู้มีพระภาคต ร, รัสย้ำถึงสามครั้งเขาก็ทูลตอบเช่นเดิม พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าวาเสธะบรรดาพราหมู้ได้ไรเพศมีพราหมณ์แม้สักคนหนึ่งไหมที่เคยเห็นพรมพอจะอ้างเป็นพยานได้ imagine. เขา้าทูลตอบว่าไม่มีเลยท่านพระโคดมวาเสธะมีอาจารย์ของพราหมู้ได้ไรเพศแม้สักคนหนึ่งไหมที่เคยเห็นพรมพอจะอ้างเป็นพยานได้เขา้าทูลตอบว่าไม่มีเลยท่านพระโคดม วาเสธะมีปาจาย์ของอาจารย์ของพรามผู้ได้ไตรเพศแม้สักคนหนึ่งไหมที่เคยเห็นพรหมพอจะอ้างเป็นพยานได้เขาทูลตอบว่าไม่มีเลยท่านพระโคดมวาเสธะมีอาจารย์ของพรามผู้ได้ไตรเพศสักคนหนึ่งไหมที่เป็นอาจารย์สืบทอดกันมาเจ็ดชั่วคนซึ่งเคยเห็นพรหมพอจะอ้างเป็นพยานได้เขาทูลตอบว่า ไม่มีเลยท่านพระโคดมพระผู้มีพระภาตรัสถามว่าวาเสธะพวกฤาษีผู้เป็นบุรพาจารย์ของรามผู้ได้ไตรเพศได้แก่ฤาษีอัฏกะฤาษีวามกะฤาษีวามเทวะฤาษีเวสามิตรฤาษียามัตตคิฤาษีอังคีรสฤาษีพารัวาชะฤาษีวาเสธะฤาษีกัศปะและฤาษีพคคุ ซึ่งเป็นผู้ผูกมนบอกมนที่พวกครามผู้ได้ตรเพศในเวลานี้ขับตามกล่อมตามซึ่งบทมนเก่าที่ท่านขับไว้กล่อมไว้รวบรวมไว้กล่าวได้ถูกต้องตามที่ท่านกล่าวไว้บอกได้ถูกต้องตามที่ท่านบอกไว้แม้ฤาษีเหล่านั้นมีไหมที่กล่าวอย่างนี้ว่าพวกเรารู้พวกเราเห็นรับรมนั้นว่าอยู่ที่ใดโดยที่ใดหรืออยู่พบใด เขาทูลตอบว่าไม่มีเลยท่านพระโคดมพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าวาเสทสะที่กล่าวมานี้สรุปได้ว่าบรรดาพราหมณ์ผู้ได้ตรัยเพศแม้อาจารย์ของพราหมณ์ผู้ได้ตรัยเพศแม้ปรารย์ของอาจารย์ของพราหมณ์ผู้ได้ตรัยเพศอาจารย์ของพราหมณ์ผู้ได้ตรัยเพศที่เป็นอาจารย์สืบทอดกันมาเจ็ดชั่วคนที่เคยเห็นพรมพอจะอ้างเป็นพยานได้ พวกฤาษีผู้เป็นบุรพาจารย์ของพรามผู้ได้ตรเพศได้แก่ฤาษีทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ผูกมนแม้ฤาษีเหล่านั้นก็ไม่มีเลยที่กล่าวอย่างนี้ว่าพวกเรารู้พวกเราเห็นพระพรหมนั้นว่าอยู่ที่ใดโดยที่ใดหรืออยู่พบใดพรามผู้ได้ตรยเพศเหล่านั้นกล่าวอย่างนี้ว่าพวกเราไม่รู้พวกเราไม่เห็น แต่พวกเราแสดงทางเพื่อความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพระพรหมว่าทางนี้เท่านั้นเป็นทางตรงเป็นทางเดินตรงไปเป็นทางนำออกนำผู้เดินตามไปสู่ความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพระพรหมได้พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าวาเสธะเธอเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรเมื่อเป็นเช่นนี้ภาสิทิ์ของพราหมผู้ได้ดไรเพศถือว่าเลื่อนลอยม่ใช่หรือ เขาทูลตอบว่าท่านพระโคดมเมื่อเป็นเช่นนี้พระสิทธ์ของพราหมูได้ไตรเพศถือว่าเลื่อนลอยแน่นอนพระผู้มีพระภาคตรัสว่าถูกละวาเสตทะการที่พราหมู้ได้ไตรเพศซึ่งไม่รู้ไม่เห็นพรหมแต่กลับแสดงทางเพื่อความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพรหมว่าทางนี้เท่านั้นเป็นทางตรงเป็นทางเดินตรงไปเป็นทางนาออก นำผู้เดินตามไปสู่ความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพระพรหมได้นั่นไม่ใช่ฐานะที่เป็นไปได้วาเสษฐะภาสิตธ์ของพรามผู้ได้ไตรเพศเหมือนคนตาบอดเข้าแถวเกาะหลังกันคนอยู่หัวแถวคนอยู่กลางแถวและคนอยู่ปลายแถวต่างก็มองไม่เห็นภาสิทธ์ของพรามผู้ได้ไตรเพศเหล่านั้นช่างหน้าขบขันต่าต้อยเหลวไหลไร้สาระ พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าวาเสธะเธอเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรพราหมณ์ผู้ได้ไตรเพศมองเห็นดวงอาทิตย์มองเห็นดว ง, ง, งจันทร์และดวงอาทิตย์ขึ้นลงเหมือนคนเหล่าอื่นแต่ก็ยังอ้อนวอนชื่นชมประนมมือนอบน้อมเดินเวียนอยู่พราหมณ์เหล่านั้นจะสามารถแสดงทางไปอยู่ร่วมกับดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ว่าทางนี้เท่านั้นเป็นทางตรงเป็นทางเดินตรงไปเป็นทางนําออก นำผู้เดินตามไปสู่ความเป็นผู้อยู่ร่วมกับดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ได้เราหรือเขาทูลตอบว่าหาไม่ได้ท่านพระโคโดมพระผู้มีพระภาคตรัสว่าวาเสธะที่กล่าวมานี้สรุปได้ว่ารามผู้ได้ตรัเพศมองเห็นดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ขึ้นลงเหมือนคนเหล่าอื่นแต่ก็ยังอ้อนวอนชื่นชมประนมมือนอบน้อมเดินเวียนอยู่ พรามเหล่านั้นไม่สามารถแสดงทางไปอยู่ร่วมกับดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ได้ว่าทางนี้เท่านั้นเป็นทางตรงเป็นทางเดินตรงไปเป็นทางนําออกนําผู้เดินตามไปสู่ความเป็นผู้อยู่ร่วมกับดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ได้วาเสธทะที่กล่าวมานี้สรุปได้ว่าบรรดาพรามผู้ได้ไตรเพศแม้อาจารย์ของพราหมณ์ผู้ได้ไตรเพศแม้ป้าอาจารย์ของอาจารย์ของพราหมณ์ผู้ได้ไตรเพศ อาจารย์ของพราหมณ์ผู้ได้ไตรเพศที่เป็นอาจารย์สืบทอดกันมาเจ็ดชั่วคนพวกฤาษีผู้เป็นบูรพาจารย์ของพราหมณ์ผู้ได้ไตรเพศได้แก่ฤาษีทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ปลูกมนแม้ฤาษีเหล่านั้นก็ไม่มีเลยที่กล่าวอย่างนี้ว่าพวกเรารู้พวกเราเห็นพระกรมนั้นว่าอยู่ที่ใดโดยที่ใดหรืออยู่พบใดพราหมณ์ผู้ได้ไตรเพศเหล่านั้นกล่าวอย่างนี้ว่า พวกเราไม่รู้พวกเราไม่เห็นแต่พวกเราแสดงทางเพื่บความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพระพรมว่าทางนี้เท่านั้นเป็นทางตรงนำผู้เดินตามไปสู่ความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพระพรมได้พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าวาเสะเธอเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรเมื่อเป็นเช่นนี้พาษิทของพรพ์ผู้ได้ไตรเพศถือว่าเลื่อนลอยไม่ใช่หรือเขาถูนตอบว่า ท่านพระโคดมเมื่อเป็นเช่นนี้พาสิทิของพรามผู้ได้ไตรเพศถือว่าเลื่อนลอยแน่นอนพระผู้มีพระภาคตรัสว่าถูกละวาเสษทะการที่พรามผู้ได้ไตรเพศซึ่งไม่รู้ไม่เห็นพรมแต่กลับแสดงทางเพื่อความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพรมว่าทางนี้เท่านั้นเป็นทางตรงนำผู้เดินตามไปสู่ความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพระพรมได้ นั่นมิใช่ฐานะที่เป็นไปได้วาเสษฐะเปรียบเหมือนแม่น้ำอจิรวดีมีน้ำเสมอฝั่งนกกาก้มดื่มกินได้ชายคนหนึ่งต้องการจะข้ามฝั่งแสวงหาฝั่งไปถึงฝั่งประสงค์จะข้ามเขายืนอยู่ที่ฝั่งนี้ตะกนเรียกฝั่งโน้นว่าฝั่งโน้นจงเลื่อนมาฝั่งนี้ฝั่งโน้นจงเลื่อนมาฝั่งนี้ พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าวาเสธะเธอเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรเพราะเหตุที่ชายผู้นั้นเรียกร้องอ้อนวอนปรารถนาหรือสรรเสริญฝั่งโน้นของแม่น้ำอชิราวดีจะเลื่อนมาอย่างฝั่งนี้ได้ไหมเขาทูลตอบว่าไม่ได้ท่านพระโคดมพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอย่างนั้นเหมือนกันวาเสธะการที่พรามผู้ได้ใรเพศ ละธรรมะที่ทำให้เป็นพรามในที่นี้หมายถึงศีลห้าศีลสิบและกุศลกรรมบทสิบกลับไปถือเอาธรรมะที่ไม่ทำให้เป็นพรามมาประพฤติกล่าวอย่างนี้ว่าพวกเราร้องเรียกพระอินทร์ร้องเรียกพระจันทร์ร้องเรียกพระพิรุณร้องเรียกพระอีสานร้รองเรียกพระประชาบดีร้องเรียกพระพรมร้องเรียกพระมหิดว่าเศรษฐะการที่พรามผู้ได้ไรเพศเหล่านั้น ละธรรมะที่ทำให้เป็นพรามกลับไปถือเอาธรรมะที่ไม่ทำให้เป็นพรามมาประพฤติหลังสักตายแล้วจะถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพรหมเพราะการเรียกร้องการอ้อนวอนการปรารถนาหรือการสรรเสริญนั่นมิใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้พระผู้มีพระภาคตรัสรามว่าวาเสถะเปรียบเหมือนแม่น้อาอชิระวดี มีน้ำเต็มเสมอฝั่งนกกาก้มดื่มกินได้ชายคนหนึ่งต้องการข้ามไปฝั่งโน้นแต่กลับเอาเชือกเหนียวมัดแขนไพ่หลังแน่นหนาอยู่ที่ฝั่งนี้วาเสษทะเธอเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรชายคนนั้นจะข้ามแม่น้ำอจิรวดีได้ไหมเขา้าทูลตอบว่าไม่ได้ท่านพระโคดมพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอย่างนั้นเหมือนกันวาเสตะ กามคุณห้าต่อไปนี้ในวินัยของพระอริยะเรียกว่าขื่อคาบ้างเครื่องจองจําบ้างการมคุณห้าอะไรบ้างคือรูปที่พึงรู้แจ้งด้วยตาเสียงที่พึงรู้แจ้งด้วยหูกลิ่นที่พึงรู้แจ้งด้วยจมูกรสที่พึงรู้แจ้งด้วยลิ้นผดทะพระที่พึงรู้แจ้งด้วยกายอันน่าปรารถนารักใคร่พอใจชวนให้รักชักให้ใคร่ผ่าใจให้กำหนัด ว่าเศษรษฐะพรามผู้ได้ไตรเพศผู้กำนัดสยบหมกมุ่นมองไม่เห็นโทษไม่มีปัญญาที่จะสลัดออกบริโภคกรามคุณห้าอย่างนี้อยู่การที่พรามผู้ได้ไตรเพศละธรรมะที่ทาให้เป็นปรพรามกลับไปถือเอาธรรมะที่ไม่ทำให้เป็นพรามมาประพฤติกำนัดสยบหมกมุ่นมองไม่เห็นโทษไม่มีปัญญาที่จะสลัดออกบริโภคกรรมคุณห้าอยู่ ติดรนคือกามหลังจากตายแล้วจะถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพรมนั่นมีใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้พระผู้มีพระภาคตรถามว่าวาเสธถเปรียบเหมือนแม่น้ำอชิระวดีมีน้ำเต็มเสมอฝั่งนกกาก้มดื่มกินได้ชายคนหนึ่งต้องการข้ามไปฝั่งโน้นแต่กลับนอนคลุมโปองอยู่ที่ฝั่งนี้วาเสถะ เธอเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรชายคนนั้นจะฆ่าแม่น้ำอาจิราวัดีได้ไหมเขาทูลตอบว่าไม่ได้ท่านพระโคดมพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอย่างนั้นเหมือนการวาเสถะนิวรห้าต่อไปนี้ในวินัยของพระอริยะเรียกว่าเครื่องหนวงเหนียวบ้างเครื่องกางกั้นบ้างเครื่องรัดรึงบ้างเครื่องตรึงตราบ้าง นิวรณห้าอะไรบ้างคือกามาชันทะพยาบาทถีนามิทะอุทจักุกุจจะและวิจิกิจฉาวาเสตทะนิวรณห้าเหล่านี้แลในวินัยของพระอริยะเรียกว่าเครื่องหนุวงเหนียวบ้างเครื่องกางกั้นบ้างเครื่องรัดรึงบ้างเครื่องตราตรึงบ้างวาเสตทะ พรามผู้ได้ไตรเพศถูกนิวรณ์ห้าเหล่านี้แลหน่วงเหนียวกลางกั้นรัดรึงตรึงเอาไว้แล้วการที่พรามผู้ได้ไตรเพศละธรรมะที่ทําให้เป็นพรามกลับไปถือเอาธรรมะที่ไม่ทําให้เป็นพรามมาประพฤติถูกนิวรณ์ห้างวงเหนียวกลางกั้นรัดรึงตรึงเอาไว้หลังจากตายแล้วจะถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพรหมนั่นไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้ เรื่องที่ตรัสเทียบเคียงระหว่างพรมกับพรามพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าวาเสตะเธอเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรเธอเคยได้ยินพราหมณ์ผู้แก่ผู้เท่าผู้เป็นอาจารย์และปร า, ารย์กล่าวว่าอย่างไรพรมมีเครื่องเกาะเกี่ยวในที่นี้หมายถึงพัญญาหรือไม่มีเครื่องเกาะเกี่ยวเขาทูลตอบว่าไม่มีเครื่องเกาะเกี่ยวท่านพระโคดม พรหมคิดจองเวรหรือไม่คิดจองเวรไม่คิดจองเวรท่านพระโคดมพร me หมคิดเบียดเบียนหรือไม่คิดเบียดเบียนไม่คิดเบียดเบียนท่านพระโคดมพรหมมีจิตเศร้าหมองหรือมีจิตไม่เศร้าหมองมีจิตไม่เศร้าหมองท่านพระโคดมพรหมบังคับจิตให้อยู่ในอำนาจได้หรือบังคับจิตให้อยู่ในอำนาจไม่ได้ เขาทูลตอบว่าบังคับจิตให้อยู่ในอำนาจได้ท่านพระโคดมว่าเสถะเธอเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรพรามผู้ได้ไตรเพศมีเครื่องเกาะเกี่ยวหรือไม่มีเครื่องเกาะเกี่ยวคิดจองเวรหรือไม่คิดจองเวรคิดเบียดเบียนหรือไม่คิดเบียดเบียนมีจิตเศร้าหมองหรือมีจิตไม่เศร้าหมองบังคับจิตให้อยู่ในอำนาจได้หรือบังคับจิตให้อยู่ในอำนาจไม่ได้ เขาทูลตอบว่ามีเครื่องเกาะเกี่ยวคิดจองเวนคิดเบียดเบียนมีจิตเศร้าหมองและบังคับจิตให้อยู่ในอำนาจไม่ได้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าวาเสษทัที่กล่าวมานี้สรุปได้ว่าพรามผู้ได้ไตรเพศยังมีเครื่องเกาะเกี่ยวแต่พรมไม่มีเครื่องเกาะเกี่ยวดังนั้นจะเปรียบเทียบพรามผู้ได้ไตรเพศ ที่ยังมีเครื่องเกาะเกี่ยวกับพรหมผู้ที่มิผู้ไม่มีเครื่องเกาะเกี่ยวได้เหล่าหรือเขาทูลตอบว่าเปรียบเทียบกันไม่ได้ท่านพระโคดมพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าถูกละวาเสษถะการที่พราหมุได้ไตรเพศเหล่านั้นซึ่งยังมีเครื่องเกาะเกี่ยวหลังจากตายแล้วจะถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพรหมผู้ไม่มีเครื่องเกาะเกี่ยว นั้นมีใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้วาเศษถะพรามผู้ได้ไตรเพศยังคิดจองเวนแต่พรมไม่คิดจองเวนดังนั้นจะเปรียบเทียบพรามผู้ได้ไตรเพศที่ยังคิดจองเวนกับพรมผู้ไม่คิดจองเวนได้หรือเขาทูลตอบว่าเปรียบเทียบกันไม่ได้ท่านพระโคโดมพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าพรามผู้ได้ไตรเพศ ยังคิดเบียดเบียนแต่พรหมไม่คิดเบียดเบียนพรามผู้ได้ไตรเพศยังมีจิตเศร้าหมองแต่พรหมมีจิตไม่เศร้าหมองพรามผู้ได้ไตรเพศยังบังคับจิตให้อยู่ในอำนาจไม่ได้แต่พรหมบังคับจิตให้อยู่ในอำนาจได้ดังนั้นจะเปรียบเทียบพรามผู้ได้ไตรเพศกับพรหมได้หรือเขาทูลตอบว่าเปรียบเทียบกันไม่ได้ท่านพระโคดม พระผู้มีพระภาคตรัสว่าถูกละวาเสตะการที่พรามผู้ได้ไตรเพศที่ยังบังคับจิตให้อยู่ในอำนาจไม่ได้หลังจากตายแล้วจะถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับรมผู้บังคับจิตอยู่ในอำนาจได้นั่นไม่ใช่ฐานะที่เป็นไปได้วาเสษทะพรามผู้ได้ไตรเพศเหล่านั้นจมลงแล้วก็ยังจะจมอยู่ต่อไปในโลกนี้ เมื่อจมแล้วก็ถึงความย่อยยับแต่ก็ยังเข้าใจว่าตนข้ามไปได้ง่ายๆดังนั้นเราจึงเรียกไตรเพศของพระผู้ได้ไตรเพศว่าป่าใหญ่คือไตรเพศบ้างดงกันดานคือไตรเพศบ้างความพินาศคือไตรเพศบ้างเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้วาเสธามานปกราบทูลว่าท่านพระโคดม ข้าพระองค์ได้ฟังมาว่าพระสมณโคดมทรงทราบทางไปเพื่อความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพระพรหมพระผู้มีพระภาคตรัสย้อนถามว่าวาเสธถ้เธอเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรหมู่บ้านมณฑสากตะอยู่ใกล้แค่นี้ไม่ไกลไปจากนี้ใช่ไหมเขาทูลตอบว่าเป็นเช่นนั้นท่านพระโคดมพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าวาเสถ เธอเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรคนที่เติบโตมาในหมู่บ้านมนาสากตะนี้เมื่อถูกถามถึงทางไปหมู่บ้านมนาสากตะที่เขาเพิ่งจะออกมามีหรือที่เขาจะชักช้าหรือรีรออยู่เขาทูลตอบว่าไม่ชักช้าหรือรีรอเลยท่านพระโคดมเพราะเขาเติบโตมาในหมู่บ้านมนส า, ากตะจึงรู้หนทางในหมู่บ้านได้เป็นอย่างดี พระผู้มีพระภาคตรัสว่าวาเสถทะผู้ที่เติบโตมาในหมู่บ้านมนั ส, สักตะถูกถามถึงทางไปหมู่บ้านนั้นก็ยังอาจจะชักช้าหรือรีรออยู่บ้างแต่เราตถาคตถูกถามถึงพรหมโลกหรือข้อปฏิบัติที่พาไปพรหมโลกจะไม่ชักช้าหรือรีรอเลยเพราะเรารู้จักพรหมโลกและข้อปฏิบัติที่พาไปพรหมโลกอีกทั้งรู้ว่า ปรมปฏิบัติอย่างไรจึงได้เข้าถึงพรห ม, มโลกเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้วาเสรธรรมโนกราบทูลว่าท่านพระโคดมข้าพระองค์ได้ฟังมาว่าพระสมณโคดมทรงแสดงทางไปเพื่อความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพระพรหมข้าพระองค์ขอวโรกาสขอท่านพระโคดมโปรดแสดงทางไปเพื่อความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพระพรหมโปรดอนุเคราะห์ชุมชนพรามด้วยเถิด พระผู้มีพระภาคตรัสว่าวาเสถะถ้าอย่างนั้นเธอจงฟังจงตั้งใจให้ดีเราจะกล่าวเขาทูลรับสนองพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคทรงสแสดงทางไปพรหมโลกพระผู้มีพระภาคตรัสว่าวาเสถะตถาคตอุบัติขึ้นมาในโลกนี้ เป็นพระอระหันตรัดสรู้ด้วยตนเองโดยชอบความเต็มเหมือนสามัญญผลลสูตรภิกษุชื่อว่าสมบูรณ์ด้วยศีลเป็นอย่างนี้แลเมื่อภิกษุนั้นพิจารณาเห็นนิวรณห้าที่ตนละได้แล้วย่อมเกิดความเบิกบานใจเมื่อเบิกบานใจก็ย่อมเกิดปีติเมื่อใจมีปีติกายย่อมสงบเธอมีกายสงบย่อมได้รับความสุขเมื่อมีความสุข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 กรรมที่ทำพอประมาณในเมตตาเจโตวิมุตติที่บุคคลอบรมแล้วอย่างนี้จะไม่เหลืออยู่ในรูปราวจรและอรูปราวจรเปรียบเหมือนคนเป่าสังผู้แข็งแรงพึงให้ผู้อื่นได้ยินตลอดทั้งสี่ทิศได้โดยไม่ยากวาเส ธ, ธะนี้แหละเป็นทางไปเพื่อความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพรมยังมีอีกวาเส ธ, ธะ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 ที่บุคคนอบรมแล้วอย่างนี้จะไม่เหลืออยู่ในรูปราวจรและอรูปราวจรเรียบเหมือนคนเป่าสังผู้แข็งแรงพึงให้ผู้อื่นได้ยินตลอดทั้งสีทิศได้โดยไม่ยากวาเสถะนี้แลเป็นทางไปเพื่อความเป็นผู้อยู่ร่วมกับรมพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าวาเสถะเธอเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไร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 ไม่คิดจองเวรไม่คิดเบียดเบียนมีจิตไม่เศร้าหมองบังคับจิตให้อยู่ในอำนาจได้ทันพระโคโดมพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าวาเสธะที่กล่าวมานี้สรุปได้ว่าภิกษุไม่มีเครื่องเกาะเกี่ยวพรหมก็ไม่มีเครื่องเกาะเกี่ยวดังนั้นจะเปรียบเทียบภิกษุผู้ไม่มีเครื่องเกาะเกี่ยวกับพรหมผู้ไม่มีเครื่องเกาะเกี่ยวได้ไหม เขาทูลตอบว่าเปรียบเทียบกันได้ท่านพระโคโดมพระผู้มีพระภาคตรัสว่าถูกละวาเสถะการที่ภิกษุนั้นผู้ไม่มีเครื่องเกาะเกี่ยวหลังจากตายแล้วจะถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับรมผู้ไม่มีเครื่องเกาะเกี่ยวนั่นเป็นฐานะที่เป็นไปได้พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าวาเสตถะ ภิกษุไม่คิดจองเวรปรมก็ไม่คิดจองเวรภิกษุไม่คิดเบียดเบียนพรมก็ไม่คิดเบียดเบียนภิกษุมีจิตไม่เศร้าหมองพรมก็มีจิตไม่เศร้าหมองภิกษุบังคับจิตให้อยู่ในอำนาจได้พรมก็บังคับจิตให้อยู่ในอำนาจได้ดังนั้นจะเปรียบเทียบภิกษุกับพรมได้ไหมเขาทูลตอบว่าเปรียบเทียบกันได้ท่านพระโคดม พระผู้มีพระภาคตรัสว่าถูกละวาเสตทะการที่ภิกษุนั้นผู้บังคับจิตให้อยู่ในอำนาจได้หลังจากตายแล้วจะถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับรมผู้บังคับจิตให้อยู่ในอำนาจได้นั่นเป็นฐานะที่เป็นไปได้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสพระธรรมเทศนาจบวาเสตทามานกพกภารัตวาชะมานพ ได้กราบทูลว่าข้าแต่ท่านพระโคโดมภาะสิทธิของท่านพระโคโดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักท่านพระโคโดมทรงประกาศรรมแจมแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลไงของที่คว่ําเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางข้าพระองค์ทั้งสองนี้ขอถึงท่านพระโคโดมพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสารณะขอท่านพระโคโดมจงทรงจําข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสารณะ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตจบพระไตรปิฎกเล่มที่เก้าสิลขันทวัต